วันนี้เป็นวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2554เมื่อวานมีหลวงพ่อนโนปดนหงพ่อบุญเมหลวงพ่อจำรัดมาจากวัดป่าบ้านตาดมาเกี่ยวกับมาพูดเกี่ยวกับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนตั้งกรรมการก็หลวงตาผ่านไปแล้วก็อยากจะ ย, ย, ย, ยกหลวงปู่ลีให้เป็นประธานมูลนิธิแทน แล้วก็หลวงปู่วุ่นเมธันก็อายุมากกว่าหลวงปู่สุขภาพของท่านไม่ดีก็เลยยกให้หลวงปู่ลีเป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อตกระดเป็นเอเลขาให้หลันยึกกองมูลนิธิแต่สมัยหลวงตายังมีชีวิตอยู่หลวงตาทำหลวงพ่อทำอะไรทั้งทุกอย่างเพื่อหลวงตาฮะหลวงตาบอกว่าให้เป็นอะไรหลวงพ่อเป็นได้แต่ดีและไม่ดีเพราะหลวงตาดูแล้วท่านได้ทําอะ หลวงพ่อต้องทำได้ทําดีหรือไม่ดีทําดีที่สุดคเมื่อท่านสั่งมาแล้วในเมื่อท่านคิดว่าเราทําได้เราก็ต้องกระโดดเข้าไปต้งพยายามทําไม่ได้ถ้าท่านไม่ดีถ้าเราทําไม่ดีท่านจะปลดออกเอาก็เราก็ยินดีไม่เสียใจอีกต่างหากเนี่นแหละอันนี้ก็คือเราทำเพื่อเพื่อบูชาพระคุณของหลวงตานะ แต่นี่เขาให้เป็นเฮลันยิกในช่วงนั้นเป็นไปได้แต่คราวนี้หมู่พวกเพื่อนมาให้หลวงปู่รีเป็นประธานหลวงพ่อก็เป็นประธานองค์ที่หนึ่งเผื่อมีปัญหาอะไรมาหลวงพ่อก็จะได้รับรู้รับทราบเซ็นอะไรแทนประธานใหญ่ได้เอเอาได้ไม่เป็นไรให้เป็นอะไรได้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ให้เป็นก็ยังได้ไม่ให้เป็นก็ได้ให้เป็นก็ได้เป็นอะไรก็ได้ เพื่อเกี่ยวกับงานลวงตาแล้วนะ่นขอเมื่อวานก็ได้พูดคุยกันก็ทราบว่าจตุปัจจัยในงานของโลวงตาเนี่ยได้สี่สี่ร้อยกว่าล้านนะออไม่ใช่น้อยนะแต่หรงพ่อก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดเนียวันพุกนี้แหละเขาไปถามไทยอีกทีหนึง่งแต่แล้วก็ทองคำได้ร้อยกว่ากิโลแต่ความหวังความหมายเนะ่สิบสองตันกับ 500ร้อยกว่ากิโลนี่ได้แน่แต่จะให้ถึงสิบสามตันน่ะอันนั้นยังยังลุ้นกันอยู่ว่างั้นแต่หลวงพ่อก็จะจะได้นั้นนะสิบสี่ตันว่างั้นถ้าเป็นไปได้แต่ก็ความคิดเฉยๆล่ะมันอาจจะไม่ได้นะจะได้เท่าไหน่ไรก็เท่านั้นละพอํำทำหน้าที่ในจุดนี้เห็น <c oughs> เนื่การเงินน่ะเราก็พยายาม ทำให้ดีที่สุดเพราะท่านสั่งเป็นพี่นัยกรรมของหลวงตาเ <c oughs> มื่อเราตายไปแล้วผ่านไปแล้วคนที่มาทำบุญในงานศพของเราหรืองานเรื่องมรณาภาพของเรา <c oughs> เงินทุกบาททุกชะตางให้รวมแล้วก็ซื้อทองคำเข้าคังหลวงทั้งหมด ซื้อทองคำเขาแบงค์ชาติซื้อทองคำเขาเข <c oughs> าขังหลวงอันนี้ก็คือความสั่งท่านตามพินด้กรรมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้สั่งตู้เซฟมาสองสามละลอกละลอกแรกสิบเกือบสิบสี่สิบห้าใบเต็ม <c oughs> ไม่ได้สั่งมาอีกละลอกสองอีกสิกบกว่าใบอีกเต็มอีกสั่งไม่ คือหลวงพ่อก็ดูเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าให้ปุปปับมาจะสั่งพวดทีเดียวก็ไม่ใช่ก็สั่งมามันมันมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนผลที่สุดก็ได้สั่งมาทั้งสี่สิบกว่าตู้ตู้เซฟนะเกือบห้าสิบู้ทั้งรวมทั้งของผู้อื่นด้วยแต่ขนาดนั้นกับวันงานก็ยัดไม่ลงอีกเหมือนกันรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนทำบุญกระองหลวงตาในทุ่มสุด ด้วยศรัทธาของแต่ละคนเพราะว่าหลวงตาเนี่ยท่านช่วยสงเคราะห์โลกมามากและท่านก็ประกาศอีกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่านจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วท่านประกาศแล้วก็วิธีการที่ท่านไม่มาเกิดนั้นท่านทำอย่างไรแนวทางของท่าน ทุกคนก็ยอมรับอีกว่ามักที่ท่านหลงตาเดินเดินที่จะไป ม, มาเกิดในในวัฏฏะสงสารนั้นท่านเดินมักอย่างไรตั้งแต่สมาธิตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาปัญญาท่านเดินอย่างไรจนถึงจุดนั้นเป็นที่ยอมรับของพระสิทญาอนุสิทธิ์ตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างตอนที่ท่านจะกระโดดออกจากมิติหนึ่งจก ค่ะค่ายว่ายานอวากาศจะกระโดดออกจากกระแสโลกดึงดึงโดดนั้นท่านมันกระโดดและออกนับลักษณะอย่างไรท่านก็บอกให้ฟังชัดเจนในจุดที่จิตใจของท่านจะกระโดดออกไปเป็นมิติหนึ่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นของท่านอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายยอมรับว่าหลวงตา ท่านเป็นพระอาหารหันต์แน่นอนในความรู้สิทธิของศิทธิญาณุสิทธิ์ตัวท่านเองก็ประกาศอีกเหมือนกันว่าเราในรุดไม่มีกิเลสแล้วเราว่างงานแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกอันนี้คือคําพูดขององค์หลวงตาเพราะฉนั้นคณะสิทธิญาณุสิทธิทั้งหลายทั้งบวงอยากจะได้มุลกุศลจากองค์หลวงตากระต่างคนกระต่างทุ่มเท ทางจิตใจทั้งทุกอย่างเพื่อสุดๆุดอย่บูชาพระคุณขององค์หลวงตาแต่หลวงพ่ อ, อมั่นใจอย่างนั้นว่าไม่ผิดหวังที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ทําบุญกับองค์หลวงตานไม่ผิดหวังหวงดวงตาเนี่ยเหมือนกับเนื้อนาพื้นแผ่นดินนาที่ดีไม่ท่วมไม่แรงดินดีอีกต่างหากพร้อมกับมีปุ๋ยหว่านพืชลงไปเม็ดใด เม็ดนั้นก็จะงอกเงยให้ผลรวงใหญ่เต็มที่ไม่ท่วมไม่แรงเราจะได้รับผลสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะหวานพืชลงในเนื้อนาที่ดีเพราะทั้งใครก็อยากจะหวานพืชลงในเนื้อนาคือองค์หลวงตาในครั้งสุดท้ายของท่านแต่ถ้าว่าเราหวานพืชเนื้อนาที่ไม่ดีเป็นยังไงนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกหญ้าคา เต็มไปด้วดินไม่มีปุ๋ยเราหวานพืชลงไปเมื่อเราได้รับผลก็กระทนกระแท่นเ <c oughs> พราะเหตุลายเพราะว่าเนื้อนาไม่ดี <c oughs> เพ้อเพอยังข้าวของเราเข้าปลูกของเราเก็บไว้แลมปีอีกต่างหากเก็บไว้นานอีกต่างหากไปหวานลงไปเม็ดที่เสียก็เยอะแยะอีกฮทําไมเป็นอย่างนั้นเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าข้าวปลูกนั่นก็นกคือ เราได้เงินคำทรัพสมบัติมาไม่บริสุทธิ์มาโดยการคดการโกงการปล้นการจี้มาอันนี้คื อ, คอไม่บริสุทธิ์และไปหวานลงในเนื้อนาอีกนาก็ไม่มีปุ๋ยอีกจะทำอะไรก็ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดทำบุญกับพระไม่อยู่ในศีลในธรรมอีกหวานลงไปมันก็เป็นข้าวที่งอกเงยขึ้นมาก็กระทนกระแท่นอย่างที่ว่านี่นหะท่น นาก็ไม่ดีเข้าปลูกก็ไม่ดีเพราะนั่นพวกเราได้ทําบุญกับองค์หลวงตาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเราไปหวานลงพืชลงไปวานลงเงนื้อนาคืองานพ <c oughs> ระราชทานเพลิงสรีระขององค์หลวงตาหลวงพ่อจึงมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าว่าทําบุญทุกที่ทุกทางไม่ไปไหนห <c oughs> ลวงตาก็สั่งตามพินัยกรรม เงินสี่ร้ยกว่าล้านก็คงจะไปซื้อทองคำมันซื้อทองคําเข้าไปแล้วก็เป็นหลักของประเทศชาติอีกไม่ไปไหนอีกทองคําก้อนนี้เป็นหลักประกันประเทศอประเทศไทยของเราอบักประสบภัยวิบัติอประสบแผ่นดินไหวเกิดสึกสงครามข้าวยากหมากแพงอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้ใช้ เงินก้อนนี้เป็นหลักประกันประเทศไปยืมเงินจากประเทศไหนเขาก็ให้เพราะเหตุไรเพราะเรามีหลักประกันคือทองคําอยู่ในคลังฮะนี่แหละดวงตาท่านคิดไกลถึงขนาดนั้นแหละที่ท่านคิดให้ประเทศชาติบ้านเมืองท่านไม่ได้คิดเพื่อส่วนตัวของท่านเลย<ม>เห็นไหมเมื่อท่านไปกระดูกของท่านก็นยังทิ้งอยู่ในเมนวันพุ่งนี้รวงพ่อเกิคงจะได้ไปร่วมกับคณะสงฆ์คณะสิทธิ์ทั้งหลาย แบ่งอธิธาต์ขององค์หลวงตาเนี่ยเป็นพระอบพระอบพระอบจากนั้นก็วัดไหนที่ต้องการอยากจะเอาไปกราบไปไหว้ไปไว้ในหิ้งพระแท่นพระอย่างไว้ศาลาของเราเนี่ยว้ยกูหรือเจดีย์เล็กๆเอาไว้ในศาลาพวกเราจะได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะในศรีระด้รืว่าอธิหรือพระาธาตุขององค์หลวงต า, ตาต่อไปอันนี้หลวงพ่อจะเข้าไป แจกแบ่งวันพุ่งนี้จากนั้นก็คงจะได้แจกแบ่งตามวัดต่างๆให้ทั่วถึงที่วัดไหนที่รักเคารพในองค์หลวงตาส่วนพี่น้องประชาชนนั้นคงจะไม่แบ่งเพราะอะไรเพราะมากเกินไปคงแบ่งไม่ไม่ทั่วถึงคือจะแบ่งไปตามวัดแล้วก็พวกเรามาวัดแล้วก็มากราบองค์หลวงตาวัดไปวัดไหนก็ไปกราบองค์หลวงตาในวัดนั้น จากนั้นก็ได้ฟังทำคําสอนของท่านเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจอีกแต่ไปกราบเฉยๆยังไม่เพียงพอนะเราต้องศึกษาทำคําสอนขององค์หลวงตาอีกหนังสือของท่านอยู่ที่ไหนให้เก็บไว้ให้ดีต่อไปนี้ก็คงจะหาฟังระยากไม่มีใครจะพิมพ์แล้วนะทีนี้นะเหมือนกับหนังสือครูบาอาจารย์เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จุงฟุ้งไปหมดหนังสือนะแต่พอท่านมรณภาพไป หนังสือเหล่านั้นก็หายจางไปเรื่อยเรื่อยหาผู้พิมพ์ยากแเพราะราคามันก็แพงและศรัทธาผู้จะมาพิมพ์นั้นก็น้อยล่อยหลอลงไปแต่ธรรมะของท่านที่อยู่ในกระดาษอยู่ในเอ็สนั้นบริบูรณ์ทุกอย่างเป็นธรรมะทันสมัยเพราะนั้นก็ให้พวกเราเก็บนะหนังสือองค์หลวงตาที่ได้ไปแจกข่าวไหนก็ตามให้เก็บไว้ให้ดี เอาไว้ในเฮ่งพระเวลาไหนวันไหนที่เราว่างจากการงานหรือความมีความทกใจเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เอาหยิบหนังสือนั้นมาอ่านเป็นการสอนตนเองเป็นการตือนตนเอง เ, อเป็นการาศึกษ า, าจากนั้นใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุกเหมือนกับเราอยู่ไม่ไกลจากครูบาอาจารย์เลยเถ้าเราได้ศึกษาอยู่บ่อยๆนะเพราะนั้นกอให้พี่น้อง ศรัทธาญาติโยมทุกๆคนนะที่หลวงพ่อพูดหรือกล่าวไปนี้ก็เป็นการกล่าวเตือนยำ้ำหรือ ว, ว่าให้พวกเราได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษานะความเป็นมาของนะงานขององค์หลวงตาผลงานขององค์หลวงตาหลวงตามีเจตนาอะไรกับพี่น้องประชาชนท่านได้อะไรนะท่านมีพินัยกรรมอย่างชัดเจน เพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อท่านใช่ไหมท่านก็ไปแล้ว่ท่านเห็นความผาสุกพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราเพราะนั้นขนาดองค์หลวงตาท่านยังเห็นความสำคัญเพราะนั้นพวกเราทุกคนที่เกิดมาในชาติพื้นแผ่นดินไทยไม่ควรจะสิ่งไหนที่ไม่ดีนะไม่ดีล้วก็ได้พวกเราได้รับการศึกษาด้วยกันนั้นเนี่ยไม่ดีคืออะไรดีคืออะไร ถ้ารับพวกเราไม่จักไม่รู้จักดีไม่รู้จักช่วยอีกต่างหากแสดงว่าเราเนะี่ยแย่มากแล้วนะแต่ถ้าเรารู้จักดีไม่ดีสิ่งไหนที่ดีเราก็ทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีเราจะไปทำทำไมทำแล้วก็เดือดร้อนตนเองเดือดร้อนคนอื่นเขาเราก็หยุดไม่ทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะเราเราได้รับการศึกษามาดีแล้วพรา ะ, ะนั้ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะทำแต่สิ่งที่ดี คิดดีทำดีพูดดีจะเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเรานานเท่านานรับรับพร อ, อนโมทนาให้พร